อเนกสุนทรกิจสุภาพบุรุษดนตรีสากลผู้พึงสำเร็จจากโรงเรียนที่ศึกษาวิชาดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและมาประจำอยู่วงดนตรีหนึ่งเพื่อยึดเอาเป็นอาชีพ เขาวางทำเป็ดคู่มือลงเมื่อเพลงที่ซ้อมได้จบลงสุภาพบุรุษของเราก็หวนคิดไปถึงสำนักศึกษาที่เคยศึกษามานานปีแล้วก็ถอนหายใจนับตั้งแต่ได้สำนักศึกษามาแล้วตัวเขาเองก็เหมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกว่าอะไรคือความเบิกบานอะไรคือความสุขใจพูดน้อยกิริยาซึมๆดวงตามเม้อลอยผิดกว่าเมื่อครั้งยังอยู่ในสานักการศึกษาซึ่งเป็นคนละคนภาพหนึ่งได้ลอยผุดขึ้นในห้วงความคิด ภาพนั้นคือสุภาพสตรีนักร้องเพลงไทยเดิมผู้มีความสวยเรียบเรียบกิริยาสุภาพที่เคยร่วมการศึกษาอยู่ในที่เดียวกันหากแต่เรียนวิชากันคนละทางการที่เป็นสุภาพสตรีของเธอนั้นมีได้เกิดจากว่าเธอคือนันทวันธรรมวิ น, วนิตระกูลขุนนางทั้งการเป็นสุภาพบุรุษของนายอเนกสุนทรกิจก็หาใช่ว่ามาจากอเนกมีตระกูลผู้ดีเก่าก็หาไม่พวกนักศึกษาแห่งเดียวกันทั้งหมดเป็นผู้ตั้งให้ว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งสอง ก็เนื่องจากว่าอนเนกกับนันทวรรณนั้นคบหาสมาคมกันอย่างสุภาพจริงๆควรแก่การเอาเป็นตัวอย่างใครๆก็รู้ว่าทั้งสองรักกันแต่ทั้งสองก็รักษาขอบเขตของความรักไว้อย่างน่ายกย่องที่ต่างคนต่างยึดถือเอัตราคูลและวงศาแห่งตนเป็นเกียรติที่จะทําลายซะไม่ได้ไม่ว่าจะทางใดก็ตามเป็นการยับยั้งที่น่าบูชาจึงได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในวงการศึกษานั้นใครๆก็ว่าความรักนั้น มีอำนาจเหนือสิ่งใดทําให้คนดีๆเสียไปนักต่อนักแต่ทั้งสองไม่ยอมใช้ความรักที่แท้จริงให้มาจบลงด้วยความใครหากว่าความรักจะเลยขอบเขตไปแล้วนั้นซ้ายอนเนกก็ได้เปรียบเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายแม้ผู้หญิงจะร่ํารวยจนสู่ขอไม่ได้ถ้าตัวหญิงปรงใจแล้วความสําเร็จก็เป็นของเขาแต่ตัวของอนเนกนะสิ ก็เป็นคนเคารพในเหตุผลตัวเขาจําเป็นจะต้องออกจากการศึกษาไปหาเงินเลี้ยงบิดามารดาก่อนเมื่อมีกําลังดีแล้วจึงค่อยคิดการต่อไปการชิงสุกก่อนหามนั้นคือความเดือดร้อนอย่างมหันหากินยังไม่พอท้องตนอยู่แล้วกลับจะคิดแบกเอาภูเขาขึ้นไว้อีกมีพากันต้องแต่งไปด้วยกันหรือแล้วนันทวันที่เขารักสุดชีวิตจะได้ผลอะไรในความรักจอมปลอมของเทา้านอกจากความเสื่อมเสีย สุภาพบุรุษทำเป้าของเราจำได้ดีถึงวันที่ต่างคนต่างจะต้องจากกันเมื่อสำเร็จการศึกษาวันนั้นทางดนตรีไทยเดิมได้มีการไว้อาลัยที่จะจากสำนักที่ร่วมกันมานานปีจึงมีการบรรเลงเพลงร่วมกันทั้งเพื่อความบันเทิงและการร่ำลาไปทั้งสองอย่างเลย ส่วนของอนเนกนั้นอยู่วงดนตรีสากลไม่มีการซ้อมจึงสมัครใจมานั่งฟังเพลงไทยเดิมเขารู้สึกเสียใจที่ว่าทำไมเขาจึงมุ่งไปเรียนดนตรีสากลซะเล่าน่าจะหัดดนตรีไทยเดิมเขาอาจจะได้พบกับนันทวันบ่อยๆเมื่อมีงานที่จะบรรเลง เมื่อเข้ามาวิชาดนตรีสากลที่ไหนจะได้มีโอกาสใกล้ ก, กันกับคนรักซึ่งความจริงความรักนี่ก็มาทีหลังเพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรอื่นก็ตัดสินใจเรียนทางสากลซะแล้วโดวยว่าวิชาสากลนั้นมองเห็นอาชีพอยู่แล้วจะประจําตามวงใหญ่ๆตามกรมกองก็ได้ตามไนท์คลับก็ได้บาร์ก็ได้ส่วนเครื่องสายไทยนั้นจะเอาเป็นอาชีพก็ยากยิ่ง โดยเป็นวิชาของผู้ดีมีเงินหรือไม่ก็เป็นดนตรีที่พระยาเลี้ยงจะบรรเลงให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินฟังหรือเจ้านายที่เลี้ยงอยู่จะได้ฟังเรื่องจะไปบรรเลงตามทั่วๆไปเป็นอาชีพนั้นก็มีต้องการที่จะเป็นไปได้ส่วนนันทวันนั้นเธอเป็นลูกผู้มั่งคัง่งก็เรียนไว้เป็นอาพรของผู้หญิงเอาไวบ้บรรเลงให้เพื่อนๆให้บิดามารดาฟังหรือเจ้านายที่ชอบพอกันฟังดังนี้วิชาดนตรีของทั้งสองนี้จึงแยกกันไปซะคนละทาง แต่ใจของอนเนกนั้นตั้งแต่รักนันทวันแล้วก็สมัครใจมาแอบรับฟังทางวงเพลงไทยเดิมเสมอวันนั้นเครื่องสายไทยที่บรรเลงร่วมลากันได้บรรเลงเพลงลาไปหลายเพลงแต่ผู้ที่ควบคุมวงได้ขอร้องให้นันทวันร้องอีกเพลงหนึ่งก็คือพระสุธากันแสงหรือธรณีร้องไห้ซึ่งมีคาร้องเป็นวรรณกรรมตอนหนึ่งของขุนช้างขุนแผน นันทวันได้ปล่อยเสียงและทํานองโหยเยือกอย่างแบบเก่าส่วนสานวนลีลาการเอื้อนอ่อนโหยให้เคลื่อนไปอย่างช้าๆในคำร้องนั้นมีความว่ารากไม้จะต่างหมอนนอนอน า, นาดดาวดาดจะต่างใต้น่าใจหายเที่ยวแรกของเพลงสามชั้นเพลงนี้มีมาอย่างสั้นๆแต่ว่าทํานองนะสิเชื่องช้าอิดเอื้อนสอือกสะอื้นนักเป็นคาราพันถึงการจะจากบ้านไปสู่ป่านั้นข้างหน้าจะเป็นไปได้อย่างไรบ้าง มีความรักอย่างเดียวเท่านั้นที่จะหนีบ้านอันสำราญไปสู่ป่ากับคุณแผนเมื่อจบคำร้องแล้วเครื่องสายก็บรรเลงรับแม้จะมีลูกล้อลูกขาดบ้างก็เป็นลูกล้อชนิดเนบเนบวังเวงใจเหมือนเป็นคำถามคำตอบไปในตัวว่าในป่าข้างหน้านั้นจะยากมากปานใดหนอเมื่อจบเที่ยวแรกแล้วเที่ยวสองก็ได้ร้องขึ้นอีกลงบันไดเจียนใจจะขาดตายน้าตาหลังพรั่งพรายกระจายลง ทำนองก็เป็นไปอย่างเที่ยวแรกโอดโอยโหยไห้กว่าจะหมดคำร้องก็เหมือนใจจะขาดไปอย่างที่ร้องร้องทั้งทางก็รู้อยู่ว่าคำร้องนั้นเป็นเรื่องของแม่วันทองแต่ใจของสุภาพบุรุษอนเนกนั้นปักเอาว่านั่นคือคำล่ําลาของนันทวันตลอดเวลาที่เธอเอือนอ้อนนั้นเหมือนกําลังร้องไห้สะอึกสะอื้นดวงตาของอนเนกก็มีน้ําขังหล่อจนเต็มเบ้านันทวันเอ๋ยเธอกําลังจะจากฉันไปแล้วและไปอย่างไม่มีกําหนดว่าเมื่อใดจะได้มาพบ อนเนกทนอยู่ต่อไปอีกไม่ไหวรีบลุกขึ้นจากที่นั่นและรีบเช็ดน้ําตาอาการแบบนี้แม้แกรลาลัยเห็นมันก็เป็นเรื่องของนักศึกษาที่อยู่ในกําแพงเดียวกันจะเริ่มจากกันไกลพ้นจากวันที่ต่างคนต่างแยกพ้นสานักศึกษาไปแล้วการพบปะของทั้งสองก็ไม่มีเพราะต่างคนต่างเคร่งในเกียรติอีกฝ่ายไม่ยอมเสียเกียรติที่จะถูกทําลายและอีกฝ่ายก็ไม่ยอมเสียเกียรติในการจะเป็นผู้ทําลายผู้อื่น การจะนัดพบกันก็เอรังขังขอบจะเป็นปากคนอื่นทั่วไปจดหมายมีถึงกันบ้างเพียงห่างๆต่อเมื่อทนความคิดถึงไม่ไหวจริงๆสุภาพบุรุษอนเนกของเราเดินย่าฝุ่นหางานทําส่วนนันทวันอยู่บ้านเฉยๆเพราะไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าจะไปธุระไหนเธอก็ไปรถส่วนตัวและมีหญิงคนใช้ตามไปด้วยเธอรักษาตัวให้อยู่ในขอบเขตจริงๆ ทั้งทั้งที่หัวใจของเธอก็คิดถึงอนเนกอย่างระทมขมขื่นบางคราวก็บังเอิญได้พบกันโดยนันทวันนั่งรถไปอนเนกก็เดินเตะลมมาตามริมถนนต่างคนต่างยิ้มให้กันอย่างแห้งแล้งแม้ใจนั้นจะแสนดีใจเพียงใดมันก็เป็นได้เพียงแค่ยิ้มเท่านั้นรถเลยไปแล้วสุภาพบุรุษของเราก็หน้าหมองสุภาพสตรีในรถที่ผ่านเลยไปก็มีดวงตาเศร้า พยายามปิดบังกิริยามีให้สาวใช้ที่ติดตามไปสังเกตเห็นนานเดือนเข้าก็เลยเป็นปีสิ่งที่นันทวันรอคอยก็คือวันที่อนเนกจะมีโชคและได้จัดคนไปสู่ขอเธอตามระเบียบแต่ก็หายไปคอยหายแลหายทั้งนี้ก็เพราะว่าอนเนกยังไม่ดีขึ้นเพียงแต่ทํางานเลี้ยงพ่อแม่กับเลี้ยงตัวเองก็ยังกลัวเกลียนานๆจะมีจดหมายมาถึงเธอบ้างแต่ก็เป็นคําของคนยาก ที่พูดคิดถึงมาอย่างจะสิ้นใจและก็ขอพอรพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยดลบันดาลให้เขาแล้วก็เธอได้ผลสมประสงค์ด้วยเถิดเวลาอันแสนเศร้าสลดของเขาทั้งสองได้ผ่านอีกปีกว่าก็มีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงกลางใจสุภาพบุรุษอนาถาของเรานั่นคือข่าวมั่นทางหน้าหนังสือพิมพ์ระหว่างนานนิกร อ, อุดมเวทข้าราชการหนุ่มที่อยู่ในตำแหน่งสูงกับนางสาว น, นวันทวันธรรมวินิจแต่เปล่าเลย สุภาพบุรุษของเรามีได้เป็นลมล้มพับไปอย่างที่คาดคะเนกันเขานั่งดูหนังสือพิมพ์อย่างเลื่อนลอยเพราะว่าก่อนที่จะเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์นั้นตัวเขาเองก็รู้อยู่แล้วด้วยนันทวันแจ้งให้ทราบทางจดหมายที่มีสำนวนของคนที่จะขาดใจและต่อมาอีกหน่อยเดียวข่าวการวิวาก็กระจายตามมาอีกอเอนกไม่มีอาการอะไรผิดแปลกไปอีกด้วยว่าเขาจะผิดจากเดิมมานานแล้วเขาเป็นมนุษย์เพียงร่างกายไม่มีหวังอะไรในชีวิต เขาไม่ใช่คนเดิมหัวใจมันตายไปแล้วไม่มีทางอะไรเลยสำหรับคนที่มั่นคงอย่างเขาจะเปลี่ยนหัวใจให้เป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้อีกการติดต่อทางจดหมายของอนเนกได้หยุดโดยเด็ดขาดและทางนันทวันก็หยุดเด็ดขาดเช่นกันแม้ว่าต่างฝ่ายจะคิดถึงกันจนใจแทบขาดก็ต้องงดมิให้ผิดวินัยของภรรยาที่ดีไปได้ถือเอาเวรกรรมเป็นที่ตัดสินไม่กล้าจะทาอะไรเอาเองตามชอบใจ พระไม่ได้โปรดแล้วก็ก้มหน้าต่อไปอีกหลายเดือนต่อมามีงานรีลาดที่สวนลุมพินีนันทวันเธอไปกับนิกรสามีของเธอเพลงหนึ่งนิกรได้นำร่างของภรรยาร่อนไปตามแนวทางของฟลอและหักเลี้ยวหน้าวงดนตรีเสียงทําเป็ดแป่นกระชันชิดยั่วจังหวะนันทวันรู้สึกผิดหูเพราะเสียงนี้เคยฟังติดหูเธอจึงหันหน้ามองฝ่าไฟสลัวเข้าไปที่วงดนตรีนั้นและก็เป็นใครไปไม่ได้ เขาเป็นผู้เป่าเครื่องมือนั้นก็คือสุภาพบุรุษของเราทั้งสองฝ่ายมองตรงกันพอดีอนเนกสะดุ้งสุดตัวบอกไม่ถูกว่าเขาควรจะได้พบตาคู่นี้หรือไม่เหมือนจะเป็นลมหัวใจเสียวปรับอะไรเล่าโกรธเกลียดอาไยหรือว่าอยากจะศบตากับดวงตาแสนเศร้าคู่นั้นนานๆคุณนิกรสามีของเธอไม่เคยรู้เรื่องใดๆของอนเนกและภรรยาที่รักของเขาเลย เขามีหน้าที่วาดสเต็บชวัดเฉวียนเลี้ยวเลยมุมนั้นไปเมื่อนันทวันและนิกรเลยไปแล้วทรัมเป็ตที่เคยเจิดจ้าก็ผ่อนผิดหูลงเสมือนเป็นเครื่องมือที่ไม่มีความหมายอะไรในวงดนตรีนั้นและก็ไม่มีใครรู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงเพลงก็เดินไปเสียงฝีเท้าของนักลีลาดก็เสียดแผ่วเบาไปตามพื้นไม่มีใครจะทราบว่าหัวใจของทั้งสองที่ไม่เคยพบกันเลยและได้มาพบกันอย่างไม่ควรที่จะพบ และก็เกิดเรื่องประหลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อหลังจากวันนั้นแล้วเสมือนว่าวงดนตรีใหญ่ที่อเนกประจําอยู่นี้จะเกิดเป็นภัยสําหรับสุภาพบุรุษของเราเขาได้ลาออกไปจากวงอย่างไม่มีเหตุผลและไปสมัครเข้าประจําอยู่ที่บาร์บาร์หนึ่งที่ต่ําช้าจนคนอย่างนิกรสามีของนันทวันจะไม่พาภรรยาเยียงย่างกละไเข้าไปอย่างเด็ดขาดและไม่มีหวังว่าจะพบกันอีกบานี้ ก็คือบาท่าเรือที่ต้อนรับคนชั้นกลาสีเรือและคนงานต่ำๆเอนเอกทนอยู่ไปเพราะการเงินเขาจําเป็นต้องทําเงินจะน้อยจะมากขอให้พอส่งเสียบิดามารดาเท่านั้นพอนานวันนานเดือนเข้าอนเอกของเราก็กลายเป็นคนหย่ําเป ด, ด้วยการดื่มหนักไม่เคยคิดว่าคนเรานี่ควรจะหาความดีและทําความดีหรือไม่มีแรงทํางานก็ทําไปมีปากก็กินไป อนเนกมีวิชาภาษาอังกฤษพอใช้ได้จึงเป็นทางได้เงินค่าเล่าเพิ่มขึ้นฝรั่งลูกเรือที่มาเที่ยวที่นั่นไม่ใช่ต่างชาติอังกฤษอเมริกาจึงพูดอังกฤษลําบากและยิ่งทางหนังสือก็ไม่ได้เรื่องอนเนกจึงเป็นผู้รับเขียนหนังสือเบิกเงินหรือยืมเงินจากนายเรือให้ฝรั่งเหล่านั้นฝรั่งได้เงินมาก็จ่ายค่าเขียนใบยืมฉบับละ10บบาทวันหนึ่งหนึ่งก็หลายคนหลายฉบับอนเนกของเราก็มีเงินหยัมเปมากเข้าอีก ฝรั่งพวกนี้ไม่มีเงินติดตัวมากนักมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดทางไม่ยอมเข้าไปสนุกตามบาร์ในเมืองไม่มีเงินจะจ่ายแพงมากๆจึงนิยมอยู่ที่ท่าเรือนั่นเองและทุกอย่างที่ชอบใจเหล้าถูกอาหารถูกผู้หญิงก็ถูกกว่าในเมืองมากมายฟลอร์โชว์ก็มีขนาดหนักได้เท่ากับไนส์คลับสูงๆแต่ตัวโชว์นั้นจะสูงหรือต่ำไม่มีใครว่าอะไร แม่พาร์ทเนอร์ทั้งหลายก็เฉลียวฉลาดเอาใจลูกค้าจะเต้นรำหรือไม่อย่างไรก็ไม่ต้องห่วงนายฝรั่งที่เต้นไปตามจังหวะนั้นไม่ได้เหยียบเท้าของเธอได้ทธอหลบหลีกรู้ท่าทางชวนให้เขาสำราญได้เต็มที่บาร์ย่านนี้จึงมีแขกลูกค้ามากมายนักทุกสิ่งทุกอย่างที่บาร์นี้ ก็ทำให้อเนกเพลิดเพลินไปอย่างคนครึ่งคนหนักข้าวก็เริ่มจับคู่และชอบพอกับแม่ฟองสวัาดผู้มีหน้าที่เป็นเพื่อนคุยตามโตลูกค้าทั่วไปทั้งเต้นรำและอื่นๆได้ตามใจลูกค้าพ่อพระเอกอนาถาของเราก็เกิดเสน่ห์เป็นที่จับใจแม่ฟองสวัดเข้าโดยที่ทั้งบาร์นั้นไม่มีใครกล้าจะทานฝีปากที่หยาบคายของแม่ได้แต่ก็เป็นที่สบอารมณ์ของอเนกเสมือนเป็นคู่สร้างกันมา เขาได้ไปอยู่กับแม่ฟองสวัสดิ์ที่บ้านพักของเธอในตรอกข้างถนนคลองเตยใกล้ๆกันกับท่าเรือ น, นั่นเองตกลงไม่กลับบ้านพ่อบ้านแม่เพียงส่งเงินไปให้ทางธนาณัติเท่านั้นและความที่เป็นคนหมดหัวใจจะฝ่ายดีใฝ่ต่ำของอนเนกเขาจึงหมดระเบียบหมดวินัยไปทุกอย่างจะอย่างไรก็ตามเขาก็ยอมทุกอย่างหมดแง่หมดงอนจึงเป็นที่รักของแม่เมียกลางเมืองของเขายิ่งนัก แม่ฟองสวัสด์ด่าโคกเล่นขี่คอเล่นได้ก็ยิ่งชอบใจรักสามีของแม่สุดหัวใจแม่เธอนิยมชายที่หมดระเบียบวินัยในตัวเองเธอจะทำอะไรก็ได้ตามใจฟองสวัสด์ก็ยอมถกหนังหัวให้ไปนอนค้างกับลูกค้าได้เงินมาก็แบ่งส่งพ่อส่งแม่ของอนเนกโดยไม่มีแง่มีงอนบางวันตอนเช้าที่แม่แสนเลวกลับมาสู่ที่พักเก่าๆในตรอกสกปรกนั้น พอสุภาพบุรุษเก่าของเราก็แกล้งล้อเลียนเมียเล่นในเชิงทําหึงหวงที่ไปนอนกับใครมาแม่เมียก็ด่าแปรล้าเลิกถึงเงินทองที่ไปหามาจุนเจือพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็ควักเงินคว้างโครมลงบนหัวสามีพร้อมกับคําถามด้วยหยาบคายและประชดประชันว่านี่แนีสะหัวเข้าไปแล้วเอาไปสะหัวพ่อแม่มึงด้วยแทนที่อนเนกจะผุดลุกขึ้นใช้ของแข็งป้อนแม่เมียที่ล่วงเกินหยาบคายถึงพ่อแม่ตัวเองเขากลับหัวเราะชอบใจ เก็บเงินที่กระจายแล้วก็ลุกไปรินเหล้ากินแม่เมียยอมมองดูแล้วก็ใจอ่อนกลับสงสารโดดเข้ากอดจูบรูปหัวเล่นพูดปลอบโยนคล้ายเด็กๆหรือลูกของตัวเองที่แม่ผิดไปแล้วก็โกรธลูกมากไปอย่าโ ก, กรธแม่เลยแม่ฟองสวัสดกิกอดจูบแล้วก็รูปหัวผัวเล่นอย่างแสนรักทั้งๆ ท, ที่รูปร่างของอเนกเวลานั้นไม่มีอะไรที่จะน่ารักผอมดำ แต่ข้อใหญ่ของแม่ปากปลาร้าด่าได้ทุกตีเอาได้อย่างลูกก็สุดสวัสดิ์ขาดใจเพราะเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องการความสวยของชายซะแล้วชายอื่นจะสวยไม่สวยก็กัดขละปานใดมีเงินให้ก็แล้วกันจะรักและชื่นใจอยู่ก็เฉพาะชายผู้เป็นผัวไม่มีปากมีเสียงเท่านั้น ชีวิตของอเนกทางนันทวันไม่เคยรู้ข่าวเลยความรู้สึกของเธอนั้นยังมีเพียงความห่วงอยู่บ้างที่ยังรู้ว่าเขายากจนเธอก็ภาวนาให้เขาได้ภรรยาสักทีเธอจะได้มีความสุขบ้างส่วนเรื่องอะไรอะไรระหว่างเขากับเธอต้องมีอะไรอีกไม่ได้คงเหลือไว้ในใจว่าอเนกคือญาติที่น่าสงสารคนหนึ่งเท่านั้นส่วนทางนิกรสามีของเธอนั้นเขาเป็นคนดีขนาดหนึ่งเหมือนกันตั้งแต่แต่งงานกันมาแล้วก็พบว่าเขาคือสุภาพบุรุษอีกคนหนึ่ง มีอยู่วันหนึ่งที่นันทวันถึงกับชะนักตกใจนิดหน่อยแต่ว่ารีบระงับใจไว้เพราะเธอเป็นผู้รักษาวินัยของภรรยาที่ดีมาเป็นอย่างยอดเยี่ยมไม่เคยประพฤติอะไรนอกรีดนอกรอยไปเลยโดยวันนั้นนี่ก่อนพูดว่าเขารู้จักความหลังของนันทวันมาแล้วเป็นอย่างดีโดยคนผู้หวังดีและรักใคร่คนหนึ่งเป็นผู้บอกเล่าให้ฟัง นันทวันเคยมีพระเอกมาแล้วและพระเอกคนนั้นก็เคร่งในเกียรติและเคร่งในความดีทั้งนันทวันเองก็เคร่งอยู่ในเกียรติและก็หลงความดีความงามเป็นชีวิตจิตใจจนทั้งสองได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตัวอย่างแต่ในเวลานี้สุภาพบุรุษนั้นได้ตกต่ำทางใจแล้วก็ความเป็นอยู่เหมือนคนที่ตกนรกไปแล้วอย่างน่าสงสารโดยยึดมั่นในถ้อยคําที่ให้ไว้ว่าจะรักษาสัตว์จะไม่ทําอะไรให้คนที่เขารักมีมนตทินแม้เท่าเล็บมือ เขาจะขอสู้ชะตากรรมไปแต่ฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะที่สามีพูดเรื่องนี้นั้นนันทวันจ้องดูหน้าสามีและยืดตวัวตรงสู้หน้าฟังอันเป็นความหลังเก่าก่อนนั้นจะถือเอาเป็นความผิดไม่ได้เพราะปัจจุบันเธอไม่ได้มีอะไรผิดก็อยากฟังว่าสามีจะลงโทษเธอประการใดเธอสะอาดและขาวผ่องเธอกล้าหาญพอที่จะฟังเขาต่อไปแต่เปล่าเลยนี่ก่อนสามีมองหน้าภรรยาและหัวเราะพร้อมกับกล่าวว่าฮะอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิที่รัก ฉันบูชาและยกย่องเธอว่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างหรือแม่พระเลยทีเดียวนะฉันไม่เป็นคนที่ชอบฟังอะไรๆมาอย่างเครื่องเครื่องกลางๆฉันรู้จักคุณอเนกดีจนกระทั่งบิดามารดาของเขาคุณสอบสวนความหลังของนั่นแหละคะนันทวันถามเรียบๆถูกแล้วแต่ที่รักอย่าลงโทษฉันเลยที่ละลาบละละ้วงสามีทุกคนก็ต้องรู้จักภรรยาสุดที่รักของเขาเป็นอย่างดีสุดที่รักฉันบูชาเธอจริงๆนะแล้วก็บูชาอเนกด้วยมนุษย์ผู้น่าสงสาร เธอรู้ไหมว่าเวลานี้อนเนกมีความเป็นอยู่เยี่ยงสัตว์ตัวหนึง่งมีความเป็นอยู่เยี่ยงสัตว์ถูกแล้วผู้บอกเล่าความเป็นอยู่ของเขาก็คือเพื่อนของอนเนกนั่นเองเขาบอกเล่าแต่เพียงเรื่องราวเท่านั้นนะแต่ที่อยู่ของอนเนกกับแม่เมียทู่ที่เป็นผู้หญิงกลางเมืองเนี่ยเขายังไม่ได้บอกให้ผมฟังหรอกก็พอดีเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศก่อนขั้นแรกก็คิดว่าเท่าที่รู้อะไรๆมาเท่านั้นก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องรู้ที่อยู่ของเขาได้เมียเป็นหญิงกลางเมืองด้วย ถูกแล้วนางกลางเมืองและด่าโขกสับสุภาพบุรุษของเราอย่างลูกสุภาพบุรุษของเราไม่เคยโต้เถียงเลยใจดีจะเป็นต่อหน้าใครๆเพื่อนฝูงกี่คนแม่ก็ด่าทั้งนั้นถ้านึกจะด่าน่าสงสารจังนันทวันพูดได้คำเดียวแล้วก็นิ่งอึงน่าสงสารที่สุดฉันสงสารแล้วก็กรุ่นคิดเงียบๆมาหลายวันแล้วลูกผู้ชายที่แพ้เกมรักเขาแพ้ฉัน ฉันได้ครอบครองตัวเธอโดยฉันมีหลักฐานทำอะไรอะ ไ, ได้ถูกต้องสมเกียรติแต่เขาไม่มีทุกๆอย่างเท่าที่ฉันมีเขาก็ยอมแพ้ฉันโดยรักษาเกียรติเป็นอย่างดีแล้วคุณจะเอามาพูดทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องเก่าที่ผ่านมาแล้วนี่แต่ใจมนุษย์นะสิ น, นั่นใจเมตตาแล้วก็กรุณาสัตว์มนุษย์ด้วยกันฉันไม่ใจดาพอจะรื่นรมที่รู้ว่าอีกฝ่ายพ่ายแพ้ยพยอย่างน่าสงสารหรอกนะ เขาไม่ได้แพ้อย่างอวดดีแต่เขาแพ้อย่างรักดีรักเกียรตินันทวันถอนหายใจเฮือกเธอเพิ่งพบกับชายเข้าอีกคนหนึ่งที่เป็นพ่อพระเธออยากจะร้องไห้ด้วยความรู้สึกสองในในหนึ่งสงสารอเนกในหนึ่งสงสารนิกรสามีทั้งปีติใจล้นพ้นที่ได้พบกับชายชั้นยอดตัวอย่างเท่าชนี้เธอก็เลยซบศีรษะกับอกของสามีและพูดเบาๆพอได้ยิน ฉันไม่เคยมีความเศร้าใจอะไรมานานแล้วเคยถนงว่ารู้ตัวดีถึงขนาดรู้เท่าถึงการคนดีต้องย่อมพบแต่ทางที่ดีตามแนวทางของตัวเองแต่ก็มารู้อะไรไม่ทั่วเช่นว่าคนดีย่อมพบสิ่งที่ไม่เคยคิดเคยประสงค์มาเลยแต่ไรมาก็ได้เช่นอเนกนี้ฉันจะหาทางช่วยเขาให้พ้นจากขุมนรกนี้นะนิกรพูดออกมาคล้ายกับสาบานมากกว่าจะพูดบอกเล่ากับนันทวันเป็นเวลาปีกว่าที่นิกรกับนันทวันพยายามสืบหาตัวอเนก น่าประหลาดนักที่สองผัวเมียกลับมาเป็นทุกข์ในชีวิตอนเนกด้วยกันทั้งสองนันทวันเคยจดหมายไปถามทางบิดามารดาของอนเนกเรื่องที่อยู่เพราะครั้งก่อนเคยติดต่อจดหมายกันเสมอแต่ได้รับจดหมายตอบจากบิดาของอนเนกว่าไม่เคยพบหน้าลูกชายเลยเคยได้รับแต่เงินที่ส่งมาจุนเจอือก็โดยทางธนานัดทุกคราวจึงเป็นอันไม่รู้เรื่องกันในคืนหนึ่งโดยบังเอิญ นันทวันกับนิกรไปงานบ้านเพื่อนที่พระขนงขากลับบ้านที่สาทรได้ให้รถลัดมาคลองเตยเป็นการย่นทางรถได้เลยปากทางท่าเรือคลองเตยมาเล็กน้อยในยามดึกไฟหน้ารถของนิกรสองเจ้าไปข้างหน้าตอนนั้นรถน้อยลงมากไม่สับสนนักนิกรคะนิกรนันเนกนี่นันทวันเขย่าร่างสามีที่นั่งอยู่ข้า ง, างพร้อมกับชี้มือไปข้างหน้านิกรผงะเขาเห็นร่างของชายคนหนึ่งเดินหันหลังให้ หิวกระเป๋าอะไรไม่รู้ท่าทางอิดโรยขอบถนนที่เขาเดินไม่มีทางเท้าและมีน้ําเฉอแะแฉะจะว่าน้ําโคลนขังก็ไม่แน่นักน้ําโคลนเละทางหน้ารําคาญนี่ก่อนรวดเร็วทันใจสั่งคนรถหยุดทันทีตามที่มือเขาชี้ผู้ที่เดินกําลังก้มๆเงยๆ เ, เพราะหาทางที่ไม่หล่มพอจะวางเท้าลงเขาทําท่าจะเลี้ยวข้ามสะพานเตียเต้ยๆเก่าๆเข้ า, า, าตรอกคุณเอเนกคุณเอเนกนันทวันรองเรียกชื่อเขาอย่างกระชั้น ร่างของชายคนนั้นหยุดชะงักและค่อยๆหันหน้ามาทางเสียงแล้วก็จังเข้าหน้ากันไฟริมถนนยังพอมองเห็นหน้ากันถนัดอนเนกยิ้วกระเป๋าทําเป็ดเก่าๆยืนนิ่งครันมิกรและนันทวันทําท่าเปิดประตูรถจะลงไปยังพื้นถนนคุณอนเนกยกมือห้ามและชี้ให้ดูที่น้ําและเป็นโคลนทั้งสองจึงชะงักอยู่บนรถพูดอยู่บนนั้นก็ได้ครับอนเนกพูดช้าๆเสียงแหบแห้งอาจจะได้ฤทธิ์เมาหรือกําลังไม่สบายก็ไม่มีใครทราบ ผมอยากพบคุณนะแล้วก็ตามหาตัวมานานแล้วนี่ก่อนเริ่มพูดฉันก็เช่นกันเราทั้งสองสืบหาแทบทุกวันเลยนันทวันพูดตามสามีอนเนกยืนนิ่งคล้ายกับแปลกใจหรือไม่ยินดียินร้ายขอพระคุณครับขอค่อยๆตอบและกลับย้อนถามมีอะไรให้ผมช่วยหรือครับผมจะช่วยคุณผมมีทางจะช่วยคุณให้พ้นจากขุมนรกขุมนี้คุณคิดว่าอย่างนั้นหรอครับอนเนกถามคล้ายไม่พอใจถูกแล้ว คุณก็ลูกผู้ชายคุณย่อมรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่คุณนิกรตอบอนเนกนิ่งชั่วครู่แล้วก้มหัวก็ถูกอย่างคุณว่าผมปล่อยไปตามทางของมันซะแล้วอนเนกพูดเสียงแห้งๆคล้ายกับคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่ได้นะคะเราต้องการช่วยคุณนันทวันพูดผมรักคุณนะคุณอนเนกผมมีทางช่วยขอให้ผมช่วยเถอะคุณนิกรพูดอย่างร้อนรนอนเนกยืนอึง แปลกใจในความตั้งใจของผู้ชายที่มีโชคดีและได้ยอดดวงใจไปครองแม้นันทวันเองก็ถึงกับสะอึกใจนิกรสามีของเธอช่างเป็นพระหัวใจช่างสูงอะไรแบบนี้ผมเอารถบุกเข้าไปในบ้านคุณได้ไหมคุณนิกรถามอันตรายอย่าเข้าไปเลยครับอนเนกยกมือห้ามและชี้ให้ดูสะพานที่เก่าและก็มีหักบ้างบางตอนพูดกันที่นี่แหละครับ ผมขอบคุณคุณทั้งสองเท่ากับขอบคุณคุณพระคุณเจ้าคุณอยู่เข้าไปลึกไหมครับช่วยบอกด้วยถามใครรู้ไหมพรุ่งนี้ผมจะมาหาคุณคุณช่วยบอกตำแหน่งด้วยนะครับคุณนิกรพูดเร็วปรือขอบคุณอย่างสูงครับแต่คุณกำลังคิดผิดทั้งสองคนนะคนนรกแบบผมคุณจะช่วยอะไรได้ถามหาผมง่ายครับคนนรกอยู่ที่ใดคนก็รู้จักคุณอเนกพูดแต่นิกรไม่ยอมฟังคาแย้งอะไรจากเขาทั้งนั้นรีบถามว่ากลางวันคุณอยู่เสมอใช่ไหมครับ ครับอยู่เสมออนเนกพูดแล้วก็ยกกระเป๋าขึ้นประกอบการไหว้เท่ากับไล่นิกรและนันทวันคุณกลับกันเถอะครับอย่าทรมานกายให้เป็นบาปแก่ผมเลยขอให้พระโปรดคุณทั้งสองด้วยเถิดพูดแล้วก็หันหลังเดินข้ามสะพานนั้นไปอย่างไม่ยอมจะฟังอะไรอีกทั้งนิกรและนันทวันมองเห็นอนเนกภายในความมืดของตรอกจึงจนใจสั่งคนขับรถกลับบ้านพอขึ้นตัวตึกคนใช้ก็รายงานว่า เมื่อตอนหัวค่ำ ม, มีชายแก่ๆ ก, กับหญิงแก่ๆมาหาบอกว่าชื่อประสบแล้วก็นางมณีสุนทรกิจนันทวันเสดุงนั่นคือพ่อแม่ของอเนกเอ๊ะเขามาว่าอะไรบ้างคุณนิกรคะสองคนที่ว่านี้คือพ่อแม่ของอเนกคะ่ะอุบะบทจะพบก็พบกันหมดทั้งสองทางเขาสั่งอะไรไว้บ้างละ่ะนิกรพูดแล้วก็ถามคนใช้ เขาพูดว่ามีเรื่องแปลกและก็มีจดหมายแปลกมาถึงเขาทั้งกล่าวชื่อของท่านและก็คุณนายไว้ในจดหมายนั้นด้วยเจ้าค่ะเขาไม่พบท่านเขาก็เลยเอาจดหมายกลับไปด้วยคนชายพูดเออะไรนี้แฮนี่จนใจว่าดึกแล้วนี่ก่อนงุนงานพรุ่งนี้เช้าค่ะคุณหยุดราชการด้วยนันทวันพูดอ๋อจริงสิต้องไปแต่เช้าเลยนันรู้จักบ้านใช่ไหมรู้จักค่ะ พอรุ่งเช้านิกรและก็นันทวันก็มาถึงบ้านพักของบิดามาันดาของอเนกเป็นบ้านใหญ่แต่จราภาพจนพังมีบริเวณบ้านที่ปลูกกระต๊อบให้เจ๊กขายของหาบเช่าอยู่รุงรังพอเป็นรายได้จุนเจือฐานะนายประสบและนางมณีสุนทรขิดออกมาต้อนรับเมื่อพูดกันรู้เรื่องแล้วนายประสบก็ยื่นจดหมายนั้นให้กับนิกรพร้อมกับรายงานว่าจดหมายนั้นได้มาถึงตัวแกตอนบ่ายเมื่อวานนี้ จดหมายนั้นเป็นจดหมายของอเนกนั่นเองประหลาดที่ว่าเป็นจดหมายลาตายของเขา เขาลงโทษตัวเองเป็นคนที่ไม่ทำตนให้เป็นที่พึ่งของบิดามานดาได้แล้วก็ขอลาตายทั้งจะตายโดยไม่มีใครลำบากแกซากศพของเขาโดยเขามีที่เก็บศพแล้วก็ที่เก็บกระดูกของเขาเป็นอย่างดีขอให้ทราบว่าจดหมายนี้จะมาถึงเขาได้ตายไปแล้วอย่างที่ที่1ขอให้บิดามานดาเขียนชื่อของเขาใส่กระดาษแล้วก็ทำการบังสุกุลพร้อมทั้งเผาไฟไปอย่างเผาศพของเขาจริง และข้อสำคัญที่ยิ่งใหญ่จงเร่งไปบอกกับคุณนันทวันและก็คุณนิกรว่าถ้าทั้งสองประสงค์จะช่วยเหลือตัวเขาก็ช่วยทำบุญกรวดน้ำไปให้เธอเพราะตามที่คุณนันทวันและก็คุณนิกรได้พบเขาและอยากช่วยเขาไม่มีทางใดจะช่วยได้จงช่วยทำบุญร่วมกับพ่อแม่เถกว่าจดหมายนี้จะมาถึงเขาได้ตายไปแล้วหลายวันคุณนิกรไม่มีทางจะช่วยเขาให้พ้นนรกได้บ้าบ้าสิ้นดีนิกรร้องอย่างโกรธ เล่นพี่เดนอะไรกับผมเนี่ยผมพบเขาเมื่อคืนถูกแล้วค่ะเราพบกันเมื่อคืนและเมื่อคืนนี้ตรงปากทางเข้าบ้านของเขานันทวันพูดนี่ก่อนคลิกซองจดหมายดูก็พบว่าเป็นปรนิศนามาจากภูเก็ตทําให้เขาอั้มอึงไปหน่อยหนึ่งสอบปากคําอีกก็แน่นอนว่าจดหมายนั้นได้รับการตอบรับตอนบ่ายวานันนี้เป็นเวลาก่อนหน้าที่เขากับนันทวันจะพบกับอนเนกแต่ที่น่าปวดหัวที่สุดในจดหมายนั้นพูดว่า ตัวอนเนกได้พบกับนิกรและนันทวันแล้วและเขาทั้งสองตั้งใจจะช่วยอนเนกและซ้อยังยํำว่าจะช่วยเขาให้พ้นนรกนั้นไม่มีทางนั่นมันคำพูดของอนเนกเมื่อคืนนี้ยามดึกแ ท, แท้แล้วจดหมายมาถึงบิดามารดาก่อนนั้นได้อย่างไรวุ่นซะแล้วนิกรร้องกรุณาแต่งตัวครับไปกับผมเดี๋ยวนี้บิดามารดาของอนเนกร้องไห้แต่นิกรกับนันทวันหน้าเหี่ยมเพราะเชื่อ ว, ว่าอนเนกเล่นพิเรน ถึงจะสงสัยใจในความอ่อนลวงคําในจดหมายและเวลารับจดหมายก็ตามแต่เขาเชื่อว่าอนเอนกทํากลลวงนี่กรบึ่งรถพากันมาหยุดอยู่ที่ปากตรอกเมื่อคืนนี้รีบพากันตรงเข้าตรอกแล้วก็ถามห้องเจ๊กห้องจีนในตรอกที่สกรปรกนั้นหาไม่ยากจริงๆอย่างอนเนกพูดเมื่อคืนพวกลูกเจ๊กอมวยอตรู้จักดีพวกอาซิมชี้ให้ดูแล้วก็บอกว่าน่าราคาญเมียด่าทุกวังเลย ผัวดีจริงม่นเคยเถียงเลยดึกดึกดึงดึ ง, ดงตึงตางเมียคว้างของอะไรต่อมิอะไรเปรียงปังเสมอถามเจ๊ถามแขกก็เล่าให้ฟังแบบนี้ทั้งหมดที่ไปถามต่างทําหน้าสลดตํามๆกันด้วยความสังเวช ท, ทั้งหมดได้มายืนอยู่หน้าห้องชั้นเดียวกับเก่าห้องหนึ่งสังเกตว่าเดิมจะเป็นห้องเก็บของของพ่อค้าจีนแล้วก็ให้ผัวเมียคู่นี้อยู่ห้องนี้ไม่ติดกับห้องใดๆอยู่โดดๆนิก่อนนันทวัน และบิดามันดาของอนเนกได้รับการต้อนรับอย่างมืนชาจากแม่นางเมียกลางเมืองของอนเนกแม่นั่นเฉญให้นั่งอย่างเสียมิได้เมื่อรู้ว่าทุกคนไปหาอนเนกแม่เจ้าของห้องไม่พูดอะไรเดินไปหยิบซองจดหมายจากในตู้มาส่งให้นิกรแล้วจุดบุหรี่สูบอย่างไม่แยแสกับใครทั้งนั้นนิก่ออ่านจดหมายฉบับนั้นจนจบมันก็เป็นจดหมายลาเมียไปตายแบบเดียวกับที่มีลาพ่อแม่เป็นไปไม่ได้นันทวันร้อง เราพบกันเมื่อคืนนี้ที่ปากตรอกเราคุยกันหลายนาทีฮะแม่ฟองสวัสดิ์ผู้ไม่ต้องการมรารยาท ต, ตวัดเสียงถามนันทวันต้องปดฉันทําไมอ่ะนี่ก่อนพูดฉันมาดีไม่ได้มาร้ายจะมาช่วยเขาก็นั่นแหละอ่านจดหมายแล้วไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่ได้พบกันมาทั้งสองอาทิตย์แล้วแม่ฟองสวัสดิ์พูดอย่างหน้าตาขึงขังดวงตาเบิกโลรงเมื่อคืนนี้บอกว่าพบกันเหรอเออพ่อเวนนี้จะเล่นลูกไม้อะไรกับฉันอีกฮะ เป็นผัวเป็นเมียกันมาฉันต้องทำงานต้องส่งเงินให้มันบำรุงพ่อบำรุงแม่มันมันยังไม่หนำใจอีกหรอคิดจะทิ้งขว้างกันแบบนี้ก็ตามใจซิผัวเวรๆแบบเนี้ยแม่นางกลางเมืองด่าส่งแล้วก็ลำเลิกประจานผัวให้กับพ่อผัวแม่ผัวไปด้วยไม่เกรงใจใครว่าจะเป็นอะไรกับผัวตัวเองบ้างทุกคนถอนใจแล้วมองหน้ากันเอา้าให้ฉันตายหาตายโงสิ แม่ฟองสวัสดสบดสาบานอย่างสบายปากพูดจริงๆมันหนีฉันไปตั้งหลายวันแล้วผัวทั้งคนใครไม่รักถ้าตายจริงอย่างที่ว่าก็จะเอาหสิกรรมให้กลัวมันจะไม่ตายจริงนะสิหาทางทิ้งกันแบบนี้อ๋อตกใจนี่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยผัวคนทําไมหาไม่ได้หรอเอาเถอะถ้าจริงอย่างที่เธอพูดฉันก็จะเที่ยวตามเขาต่อไปลาละนี่ก่อนว่าแล้วก็ชวนกันออกจากห้อง ฉันหามาหลายวันแล้วนะฟองสวัสด์พูดทุกคนไม่อยากจะฟังเสียงออกมายืนนอกห้องแต่ออกจะเชื่อว่าที่แม่คนนั้นแกพูดต้องจริงแน่ๆเพราะคนปากกล้าแบบนี้ไม่เคยกลัวใครมีอะไรก็พูดจริงทั้งนั้นไม่เชื่อก็มาดูข้าวของสิก็อยู่ที่นี่ทั้งนั้นแต่งไปชุดเดียวก็หายไปเลยไอ้แกรแทมทําเป็ดนั่นอะ่ะก็ทิ้งอยู่ที่นี่แม่ฟองสวัสด์ร้องตะโกนส่งท้ายมาอีกกลับมาบ้านนายประสบอีกครั้ง นิกกรพลิกจดหมายดูแล้วก็ดูอีกอ่านทบทวนข้อความอยู่ด้วยความสุขุมและพูดช้าๆด้วยดวงหน้าหมองคล้ำคุณอนเนกตายแล้วแน่ๆเมื่อคืนนี้เราพบกับวิญญาณของเขานั่นเองนิกกรพูดพ่อแม่อนเนกร้องไห้นันทวันก็น้ำตาไหลนิกกร น, นั้นถอนใจรู้สึกว่าอนเนกมิได้พ่ายแพ้ในเรื่องความรักเลยแม้เขาไม่ได้ตัวนันทวันไปครองแต่เขาก็ยังชนะใจจัดว่าเป็นฝ่ายชนะอย่างเด็ดขาด เรื่องเก่าไม่พูดถึงแต่เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองหมดหนทางก็ไม่เคยคิดอะไรในทางที่ผิดให้เกิดด้วงเกิดแมงแก่คนรักเขาชนะอย่างราบคาบนิกรขอเป็นผู้ส่งเสียเงินทองให้กับพ่อแม่อเนกแทนตัวเองจนกว่าจะสิ้นชีวิต